วิปัสนาญาณลำดับที่สิบสองอนุโลมญาณเมื่อโยกขีนั้นเสพเนืองๆทำให้เกิดขึ้นทำให้มากขึ้นซึ่งสังขารรูปเปกขายานนั้นอยู่ศรัทธาคืออธิมโมกก็เกิดมีกำลังเข้มแข็งขึ้นความเพียรก็ได้รับประครับประคองดีสติก็เข้าตั้งอยู่เป็นอย่างดี ก็เป็นสมาธิดีขึ้นสังขารุเปกขาก็เกิดแก่กล้ายิ่งขึ้นครั้นโยคีนั้นเกิดความคิดว่ามักคยานจะเกิดนบัตินี้แน่สังขารุเปกขาก็กาหนดรู้สังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาล้วอย่างลงสู่พวังในลำดับแห่งภวัง มโนทวาราวัชนะจิตก็เกิดขึ้นทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์ว่าไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาโดยในยะเดียวกับที่สังขารรูปเปกขายานทำมาแล้วนั่นแหละในลำดับแห่งกิริยาจิตที่เกิดขึ้นหันเหภวังคจิตไปจากมโนทวาราวัชนะนั้นชวนาจิตดวงที่หนึ่งคืออนุโลมยานที่หนึ่ง ซึ่งท่านเรียกว่าบริกรรมก็เกิดขึ้นสืบต่อตามติดไม่มีช่องว่างทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันในลำดับนั้นชาวนาจิตดวงที่สองคืออนุโลมายานที่สองซึ่งท่านเรียกว่าอุปจาระก็เกิดขึ้นทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกัน แม้ในลาดับต่อจากนั้นชวนาจิตดวงที่สามซึ่งท่านเรียกว่าอนุโลมคืออนุโลมายานที่สามก็เกิดขึ้นทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกันชื่อที่เรียกนี้เป็นชื่อเฉพาะของชวนาจิตสามดวงเหล่านั้นแต่จิตทั้งสามอย่างนี้จะเรียกว่าอาเสวนาบ้าง ว่าบริกรรมบ้างว่าอุปจาระบ้างว่าอนุโลมบ้างโดยไม่แตกต่างกันก็สมควรถามว่าเป็นอนุโลมของอะไรตอบว่าเป็นอนุโลมของยานทั้งหลายที่เป็นส่วนเบื้องหน้าของธรรมะทั้งหลายที่เป็นส่วนเบื้องหลังเพราะว่าอนุโลมยานนั้น คล้อยตามวิปัสนาญาณ8ดเบื้องหน้าเพราะมีกิจเหมือนกันและคล้อยตามโพธิปัจกียธรรม37ประการเบื้องบนคือเบื้องหลังจริงอยู่อนุโลมญาณ น, นั้นเพราะเหตุประลบสังขารทั้งหลายแล้วดําเนินไปโดยลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นจึงอนุโลมคล้อยตามญาณทั้ง8ปประการเหล่านี้เพราะมีกิจ กำหนดพิจารณาพระไตรลักษ์เหมือนกันพระหนึ่งจะพูดด้วยความว่าอุทยาพยาญาณได้เห็นแล้วซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปของธรรมะทั้งหลายที่มีความเกิดและความดับอยู่เป็นปกตินั่นและนาแล้วว่าพังคานุปสนาญาณได้เห็นความดับของธรรมะทั้งหลายที่มีแต่ความดับอยู่อย่างเดียวแล้วละหนา แล้วว่าสิ่งซึ่งมีแต่ความน่ากลัวแต่อย่างเดียวหนอปรากฏโดยเป็นที่น่ากลัวแกพญาตุปปถานญิาแล้วและ ว, ว่าอาทินวานุปสนาญาณได้เห็นโทษเลวร้ายในธรรมะที่มีแต่โทษเลวร้ายอย่างเดียวแล้วละหนอและ ว, ว่านิพิทายานก็เบื่อหน่ายแล้วในธรรมะที่น่าเบื่อหน่ายเสียจริงๆละหนอ แล้วว่ามุนจิตตุกรรมยตาญาณก็เกิดปรารถนาเพื่อจะพ้นไปเสียจากธรรมะที่ควรจะพ้นไปโดยแท้จริงแล้วล่ะหนอและ ว, ว่าสิ่งที่ควรทบทวนกำหนดรู้นั่นแลหละนอเราได้ทบทวนกำหนดรู้ด้วยปฏิสังขารญาณแล้วและ ว, ว่าสิ่งที่ควรวางเฉยนั่นแลหละนอเราได้วางเฉย ด้วยสังขารุเปกขายานแล้วดังนี้และอนุโลมแก่โพธิปัจกิยธรรมส7ิประการในเบื้องบนเพราะต้องบรรลุด้วยการปฏิบัติวิปัสนาญาณทั้งหลายนั้นอุปมาอนุโลมยานด้วยพระราชาผู้ทรงธรรม ประมาเหมือนพระราชาผู้ทรงธรรมประทับนั่งในสถานวินิจฉัยทรงสดับคำวินิจฉัยของท่านมหาอามาตผู้ว่าคดีแปดท่านแล้วทรงละการถึงอัคติเสียทรงตั้งพระองค์เป็นกลางมีพระราชาดำรัสอํานวยตามว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดชื่อว่าทรงอนุโลมแก่คำวินิจฉัยของมหาอามาตถ์เหล่านั้นด้วยและทรงอนุโลม ก่โบราณในราชธรรมด้วยฉันใดข้อเปรียบนี้ก็พึงทราบฉันนั้นเพราะว่านุโลมยานเปรียบเหมือนพระราชายานทั้งหลายแปดเปรียบเหมือนมหาอำมาตย์ผู้ว่าคดีแปดท่านโพธิปกิยธรรมสามสิบเจ็ดเปรียบเหมือนโบราณในราชธรรมในอุปมานั้น พระราชาเมื่อทรงมีพระราชดำรัสว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดชื่อว่าทรงอนุโลมแก่คำวินิจฉัยของมหาอมาตย์ทั้งหลายผู้ว่าคดีด้วยทรงอนุโลมแก่ราชธรรมด้วยฉันใดอนุโลมยานี้ก็ฉันนั้นเมื่อเกิดขึ้นปรารบสังขารทั้งหลายโดยพระไตรลักษ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นชื่อว่าอนุโลมแก่ยานทั้งหลายแปด เพราะมีกิจเหมือนกันด้วยและอนุโลมแก่โพธิปัจกยธรรมทั้งหลาย3าสิบเจ็ดในเบื้องต้นในขณะมกคยานด้วยเพราะเหตุ น, นั้นแหละท่านจึงเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานด้วยประการฉนี้จบอนุโลมายาน ก็แหละอนุโลมยา น, นี้เป็นยานสุดท้ายของวุธานาคามินีวิปัสนาซึ่งมีสังขารเป็นอารมณ์แต่เทาว่าโคตรภูยานเป็นปริโยสารของวุธานาคามินีวิปัสนาทั้งหมดโดยประการทั้งปวงวุธานาคามินีวิปัสนาในชื่ออื่น เพื่อไม่หลงสับสนในวุธานาคามินีวิปัสสนาที่กล่าวมานั้นนั่นแหละณบัดนี้ควรทราบการเปรียบเทียบทางพระสูตรไว้ดังต่อไปนี้ข้อนี้เป็นอย่างไรคือว่าวุธานาคามินีวิปัสสนานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกไว้ในสลายตนะวิพังคสูตรว่าอตตมยตา ความไม่มีตัณหาเกิดขึ้นจากโลกิยาสังขารด้วยพระดํารัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยอะตมยตาในที่นี้หมายถึงวุฒานาคามิณีวิปัสนามาถึงอัตมยตาแล้วจงละอุเบขาซึ่งมีความเป็นสภาวะเดียวอาศัยความมีอารมณ์เดียวนี้นั้นเสียจงก้าวข้ามอุเบขา ซึ่งมีความเป็นสภาวะเดียวอาศัยความมีอารมณ์เดียวนี้นั้นไปเสียดังนี้ตรัสเรียกไว้ในอลัลคัทถุปมสูตรว่านิพิธาด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่านิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติแปลว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะปราศจากกำหนัด ก็หลุดพ้นไปดังนี้ตรัสเรียกไว้ในสุสิมาสูตรว่าธรรมะทิติยานด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่าอุเพขโคสุสิมาธรรมะทิติยานังปัจจานิพานเนยานังแปล ว, ว่าสุสิมาธรรมทิติยานเกิดก่อนแลยาในพระนิพพานเกิดในภายหลังดังนี้ ตรัสเรียกไว้ในปุปาทสูตรว่าสัญญาคะด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่าสัญญาขโขปุถัฏปาทะปัตังอุปจติปัจฉายานังแปลว่า ป, ถปาุถัฏป่าสัญญาในที่นี้คือสัญญาคะสัญญาแลเกิดก่อนยานเกิดภายหลังดังนี้ พระสารีบุตรเทระเรียกไว้ในทุศตสูตรว่าปาริสุทธิ์ทปทานิยังคะองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ด้วยคําอย่างนี้ว่าปฏิปาาะทาญาณทัศน์วิสุทธิปาริสุทธิปทานิยังคังแปลว่าปาริสุทธิปทานิยังคะคือปฏิปาาะทาญาณทัศน์วิสุทธิดังนี้ กล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามัชโดยสามชื่ออย่างนี้มุญจิตุกรรมยาตาใดหนึ่งปฏิสังขานุปัสนาใดหนึ่งและสังขารุปเปกขาใดหนึ่งธรรมะสามอย่างนี้มีความหมายอย่างเดียวกันพยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกันดังนี้ตรัสไว้ในคำภีปัฐานโดยชื่อสามชื่อด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่า อนุโลมังโคตรพุทสะอนุโลมังโธทานะสะแปล ว, ว่าอนุโลมคืออนุโลมยานเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่โคตรภูคือโคตรภูยานอนุโลมยานเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่โธทานะดังนี้ท่านพระสารีบุตรเทระ เรียกไว้ในรัฐวินิตสูตรว่าปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิด้วยคำอย่างนี้ว่ากิงปนาวุโสปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธัถังภวคติพรมจาริยังวุสติแปลว่าอาวุโสแต่ว่าท่านอยู่ปรมจารย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือดังนี้ วุฒานคามินีวิปัสนาใดซึ่งสงบบริสุทธิ์พระมหาฤาษีตรัสประกาศไว้โดยชื่อหลายชื่อดังกล่าวชนี้ท่านผู้มีชาติบัณฑิตผู้ปรารถนาเพื่อออกไปจากทะเลตมคือสังสารทุกข์ซึ่งมีภัยใหญ่หลวงพึงทำโยคะหนึ่งเนืองในวุฒานคามินีวิปัสนานั้นแล ปริเชที่ยี่สิเอ็ดชื่อว่าปฏิปทายานัทสนวิสุทธินิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในประการวิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธทุชนดังนี้จกปริเชะที่ยี่สิเอ็ดคำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสเถระรจนา